คือถ้าที่ผมหาแล้วผมจำได้คร่าวๆก็มีคนหนึ่งคนซึ่งมาจากครอบครัวซึ่งจับว่ายากจริงแต่ถ้าว่าเด็กผู้ชายคนเนี้เป็นเด็กที่มีปัญญาซึ่งพ่อแม่และครอบครัวพี่น้องเนี่ยเห็นว่าสามารถจะเรียนต่อไปอจนจบทั้งปริญญาได้เพราะฉะนั้นพ่อแม่และพี่น้องทุกคนได้ยอมนะไม่มีใครเรียนหนังสือเพื่อจะเก็บเงินหาเงินส่งเสียกับเด็กผู้ชายคนนี้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 ทำงานทำการหาเงินหารายได้ส่งเสียน้องหรืออาจาจะช่วยแบ่งเบาภาระในการส่งเสียจากพ่อแม่บ้างคือพ่อแม่จะได้สบายตัวขึ้นบ้างสักเล็กน้อยเพื่อช่วยสเสลือน้องต่อไปแต่ปรากฏว่าเด็กคนเนี้เมื่อเรียนจบแล้วเนี่ยมีความทราบซึ้งในธรรมะอย่างยิ่งจนถึงกับขอลาพ่อแม่หมดไม่ทางานขอบนะพ่อแม่เนี่ยก็ร้องไห้ แล้วก็พยายามขัดค้างแต่รูปบอกว่าศรัทธาในพระศ า, าสนาเหลือเกินนะอยากขัดข้างลผลสุดเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องยอมให้บวซึ่งถ้าด้วยในแง่ของผมที่ผมอ่านแล้วผมฟังรู้เนี่ยผมรู้สึกว่าคงจะด้วยความไม่เต็มใจอะไรหนักหนาที่ไอเรื่องเนี่ยผมกินใจมากทำไมคือผมถืออย่างนี้ครับหลวงพอ่อผมถือว่าในความเห็นขวงตัวผมนะผมจะไม่ค่อยได้เข้าวัดเข้าวาอะไร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 ส่วนหนึ่งเนี่ยเท่าที่ผมอ่านที่สำนักเนี่ยนะฮะอาจจะคนอื่นเขียนหรืออะไรเนี่ยบอกว่ า, วาจุดประสงค์เนี่ยต้องการให้คนทุกคนเนี่ยเป็นพลัผมก็มาคิดดูในใจว่าถ้าในขณะนี้นะฮะผมเนี่ยเป็นคาราวาร่าผมประกอบอาชีพหรือยังมีผมเลี้ยงลูกผ ม, ผมทำความให้ความสุขกับคนบางคนให้ความช่วยเหลือกับประชาชนบางส่วน และก็ทําำบุนบ้าง บ, า ง, บางส่วนคือมีส่วนซึ่งของช่วยสนุบำรงุงพุทธศาสนาแต่ถ้าหากว่าทุกคนเป็นพระรวมทั้งผมด้วยเราก็ต้องพระก็ต้องไถานาพระก็ต้องทํามาหากินพระก็ไม่มีเวลาที่จะมาปฏิบัติวินยัยพระก็ไม่มีโอกาสซึ่งจะอะมาให้คําแนะนําชักชูประชาชนให้ความสว่างเพื่อให้เกิดความสงบใจเพื่อเป็นแนวทางให้โลก เพราะฉะนั้นผมจึงนั่นความเห็นของตัวผมถือว่าคนคนเนี้ถ้าจะบวชเนี่ยนะฮะก็ควรแต่ว่าเมื่อหมดภาระคือเมื่อเราช่วยเหลือพ่อแม่พี่นอ้องในการบวชเดี๋ยวนี้จะทําเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นการถ้าเป็นผมให้ผมตัดสินอย่างโงโงๆผมเนี่ยอผมถือว่าบาปบาปมากมากทีเดียวเพราะว่าเป็นการทําบาปกับพ่อแม่นะะเป็นการทําบาปกับ บุคคลอิกส่วนหนึ่งซึ่งทุกคนเนี่ยะช่วยเหลือคนคนนี้มานี่ปัญหามีว่าความเห็นลูกผมเนี่ยถูกหรือผิดกันไหถูกของ ค, คุณหมอเหมือนกันความเห็นนี้แต่ว่าเป็นอย่างนี้นะอัตมาจะถามเืิ่มอีกข้อหนึ่งว่อาทองนักหนึ่งกิโลตะปูว่หนักหนึ่งกิโลถ้าหากว่าเอามาให้คุณหมอคุณจะเอาอะไรก็คงเอาทองเอาทองนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นเนี่ย เมื่อความเห็นเขาว่ามันเด็ดขาดอย่างนั้นนะมันอันนั้นเลยมีราคากว่านั้นอย่างตะกัวกับทองคําแล้วเขาก็ต้องเอาทองคําอย่างคุณมอผมจะเอาทองคําทำไมถึงเอาทองคําทําไมไม่เอาตะกัวเพราะมันมีค่านั่นแหละเขาเห็นมันมีค่ากว่านั้นอันนั้นก็เหมือนกันเห็นมันมีค่ากว่านั้นน่ะเขาจึงตัดสินอย่างนั้นอืมันเป็นอย่างนั้นเรื่องเรื่องอันนี้ก็เหมือนกันเช่นนั้นอย่างนั้น เราอย่าไปคิดเช่นนั้นสิคิดแคก็ไม่ว่าหรอกแต่ว่ามันจะถูกดิจิเตแนลอย่างกลัวนะคุณหมอเนี่กลัวไม่มีใครอุปสรรคกันไม่มีใครสร้างโลกไปนะเขามาจ้างคนประเด่นดนตรีคุณหมอไม่ต้องเดือดร้อนเขาจ้างแต่คนผู้เล่นดนตรีแปลไปไปเล่ยังยังเล่นดนตรีไม่เป็นอย่างคุณหมอเขาไม่มาจ้างหรอกนะคงจะไปบวชหมดทุกคนไม่ได้ไม่บวชนอกคนไม่ได้ของเรานี่มันเป็นความมันอยู่อย่างนี้ย ได้าะพิจิตรวนวัฏฏชนใช่ไมไม่ได้ไม่วนเจ้าคนอ่ะได้ไม่ได้เป็นของไม่ได้อันนี้เรามองรู้ว่าอันนี้คืออะไรมรรคผลอะไรที่ผใครมีปัญญาแก่ไหนเอาแก่นั้นไม่ได้บีบคั้นอย่างนั้นเลยอืาจจะมาเคยเคยไปเหมือนกันบอกว่าขาสารมันบาปนะเ่ยมีคนมาต่อมาน้องพ่อเอาพริกไอ้ฉันตักวันใดไม่ได้ใครจะเอาพรกมาฉันตุกวันใดนีไหะมากีตามจะมาเปลพาโขพริกฉันตัววันใดไหมไม่เอาอยู่ที่แล้วใครจะมี ถ้าจะมีเวล า, านำโขกพีเผยผ้าฉันอยู่ทวันทวันคือไอ้เรื่องเหล่านี้พูดไปเฉยๆแต่เรื่องโรคมันเป็นอยู่อย่างนี้เองมันเราจะตัดชิ้นเป็นคนไร้หมดก็ไม่ได้ดีหมดก็ไม่ได้คนที่มีปัญญาจช่เลือกเราในโลกคนี้สูดทางหลายจงมารู้โรคนี้อันนาจการดด ร, รัสสารสอันพวกบนเขาทั้งหลายหมกอยู่แต่ก็รู้หาของอยู่ไม่ความยืนยันของพระพุทธเจ้าของเราเนี้อย่างนั้นปะ ไอเจตนาที่เราออกบวชเช่นนั้นอ่ะไม่ใช่ว่าจะเพื่อว่าให้ไอพ่อแม่เราสูญเสียให้ลูกหลานเราสูญเสียให้ตระกูลเราสูญเสียอะไรเลย น, นะนึกว่าแม้ตระกูลเรายังหมกอยู่ในจงอยู่ในโคลนเหลือเกินถ้าเราไม่ออกเพืตระกูลหนึ่งมาจัด ก, กิจข้างมันจะไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยอุซาออกไปเนี่ยเพื่อตระกูลเ น, นี่ยทำตระกูลไปดีขึ้นแต่คนขนาดนึงก็เห็นว่าเสียฝนแล้วบาปอย่างคุณหมอเลย แต่คิดแนี่ไงนี่วามันเป็นอย่างเนี้ยอาจจะมาถึงถามยกว่าตะกัวนี่มันหนักกิโลหนึ่งทองคําหนักกิโลหนึ่งท่าแบ่งกันพระเอาอะไรนี่ก็เปรียบได้ว่าเมื่อเขาตัดสินใจเขาออกบวชตลอดชีวิตของเขาฉะนั้นเขาเห็นอันนั้นมีราคากว่ามากเห็นโลกทั้งหลายนี่เป็นตะกัวไม่มีราคาเขาจึงไม่เอาเหมือนคุณหมอจองการทองคํากิโลหนึ่ง ถ้ากลัวกิโลหนงไม่เอาทำไมเพราะว่าราคามันน้อยหรือสินหึงมันราคามันน้อยไม่มีราคาก็จึงตัดสินเอาทองคำเป็นเจนี้เป็นต้นถ้าเราพิจาณาแยบคาเยเป็นี้ไม่ใช่ว่าเราจะบวชอะไรเพื่อให้ลูกจิบหายให้มีญาจิบหายให้ตระกูลจิบหายให้อะไรจิบหายไม่ใช่อย่างนั้นในใจอย่างนั้นนะในใจอย่างนั้นอันนี้คนทาได้ยากได้เกินคนที่มีปัญญาซึ่ง มากที่สุดจนกว่ายัางอย่างคุณหมอเห็นอย่างนี้น่ะจนมันกลับตรรกะกันเลยอย่างหน้ามือหลังมือจึงทําได้ถ้ายังเห็นเฉพาะอย่างคุณหมออย่างนี้ยังทำไม่ได้อย่างนั้นอืแต่เมื่อเขาทาอย่างนั้นด้วยกีตนาดีของเขาเรียก็ถูกด้วยเรียกก็ถูกเด้วยก็เพราะเขาเห็นดักดักในหลักธรรมะจริงๆนเช่นนั้นถ้ามมีประพาของเราทั้งหลายนั้นน่ะอืม ก็บาปเป็นหมดเท่านั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเราก็บาปเป็นหมดเท่านั้นถึงแม้ว่าลูกหลานพี่น้องจะมีความทุกข์อย่างไรก็าตามมันแต่ว่าเราจะโปรดเอาพวกนี้นะสอนพวกนี้ให้มาอยู่ในที่สว่างมันอยู่ในที่มืดมาพอแล้วคิดเช่นนี้เขาจะขึ้นใจบ้วยเช่นว่าอย่างรูปพันเีกประโมทุกวันนี้ เรียนจบมาจากนอกแล้วก็ได้มาบวชถ้ตตาตะมานี่บวชโดยตัดสินจิตสิ่ใจไม่สึกข้างแดดพ่อไปดูผมลาบากมากแต่เดี๋ยวนี้ก็ไปัดบ่อยๆมาบ่อยๆบางครั้บ่อยๆลูกบ่อยๆเดี๋ยวนี้ก็ไม่อยากให้อยู่นี้แล้วอยากไปกลับไปพักผ่อผมไม่อยากให้อยู่ไปเออันนี้แมันคลี่คลายออกมาเมื่อมันเห็น สิ่งอันใหนที่เรามองยังไม่เห็นนั่นก็รู้ว่ามันไม่เกิดประโยชน์อะไรสักนิดหนึ่งแต่ว่าประโยชน์ในนั้นมันมีอยู่เพราะปัญญาเรามีถ้าคนไม่มีปัญญาคนไม่เห็นประโยชน์ในเรื่องนั้นเแต่อย่าไปคิดรวมสิใครกรวาดคนกวาเป็นพ่ากันหมดแล้วใครจะอยู่ในโลกนี่โอ้ยมันยิ่งมากคุณหมออยืา ย, อยาแล้วยาโลกมันจะบางเลยมันจะหนักแน่นขึ้นเท่านั้นแหละอย่าไปคิดว่ามันจะบกบางในโลกนี้ไม่ยิ่งหนาขึ้นไปเถอะที่นี่ เมื่อท่านบวชมาแล้วยังก็มาปราบไอความชั่วทางไหนห้คนเข้าใจนะะอยู่เย็นเป็นสุขไม่มากก็ต้องน้อยช่วยกันทําช่วยกันเอาคนงามความดีให้เหตุผลอย่าให้เบียดเบียนซึ่งกันเดีกันซึ่งบุคคลทํามาอาชีวะรวยกันหาจินอยู่แล้วเนะีย่ยจะไปเบียดเบียนซึ่งกันทุกแง่ทุกมุมแบบนี้ถ้าเราไปคิดว่าโอ้ตังวลกันหมดดังนั้นก็แย่บวชไม่ได้ดูนี่มอือเลย ย่าไปดึงนี่มวยมันเป็นขนาดเดียวมันเดิมมันเป็นอย่างนี้นี่นี่ก็เป็นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นนี้นี่ก็เป็นี้ถ้ามันได้เสมอกันมีประโยชน์ไหมมันก็มีประโยชน์ข้งมันเนี่ยไอตัวที่เรียกตีมันก็มีประโยชน์ไหมถ้ามาหาว่ามันไม่เท่าเพื่อนเราก็ตัดมันจิิงจังอย่างน้อยก็แกะที่จะบุกไปยังได้มันมีประโยชน์ทุกเนี่ยทุกมุมถ้าเราไปคิดเช่นนั้นไม่ได้แร้วมันรวมกันนี่โรคเป็นไปอย่างนั้นได้อย่างนั้นก็ไม่เป็นโรค ยังนั่นก่โรคไม่มีไม่เป็นโรคแล้วมันไม่เป็นโรคไอเพราะว่ามันเป็นโรคอยู่มันถึงเป็นอย่างน <Learn> ี้ไอท <ๆ S 2> ักไอฟงนั้นที่มันถูกสอนให้เห็นที่ถูกมันก็เห็นไม่ได้ไ<ำ>อ <painful S 1> พูดแต่มันไม่เห็นไอตรงนั้นมันผิดสอนแต่ตรงนั้นมันผิดมันก็เห็นได้ได้บางคนตรงนั้นมันผิดพอเห็นนี่เพียงรู้จักตรงนั้นมันถูกรู้จักบางคนรู้จักผิดถูกเลยก็ได้อย่าไปกลัวเรโรคมันจะเบาบางนะยาอยาเข้าใจว่าไอคนจะหมดคนสร้างโรคต่อไป ผมเข้าใจครับเอผม ค, คือเนี่ยมันมีหนึ่งอันนะคือผมมีพระเป็นเพื่อนใชอ่อผมเป็นพระผมก็เรียนหลวงเพื่อน <c oughs> <c oughs> ก็คุยกันถึมเรื่องการทําบุญผมก็บอกว่าผมเนี่ยไม่ค่อยได้ทำบุญนะครับอยู่ตายกันนานๆก็มาถวายสักทีพูดกันเนี่ยก็ผมก็ฟังแล้วหลักการก็ถูกต้องคือพูดกันว่าการทำบุญเนี่ยผู้ทําบุญอย่างที่ผมเห็นเมื่อนานมาแล้วเนี่ย บางคนยากจนไม่มีจะกินใช่ไอ้ลูกเต้าวาไม่มีจะกินอยากกินเลยเ<ช>งินเนี่ยเก็บไว้ซื้อทุเรียนให้พระผมก็ถามมาถูกปะอ<ม>เพื่อนผมบอกผิด<ม>การทําบุญนั้นจะต้องทําโดยไม่เป็นอภาระไม่ใช่คือค ล, ล้าลยๆว่าแหมไอ้ลูกหลานหรือคนเราเนี่ยอยากจะกินหรือไม่มีจะกินแต่อยากกินเลย ใ, <ช>ให้พระท่านฉานเ<ช>ัเถิดได้บุญนะถ<ช>้า<ม>เพื่อนผมว่าผิดการทําบุญต้องทําในสิ่งซึ่งเราสามารถทําได้ และไม่เป็นภาระต่อผู้<ม>อื่นนะฮคือคล้ายๆก็ว่าที่ผมติดใจเรื่องของคนที่ได้ปริญญาแล้วไปบวช<ม>ผมก็มีถือหรืผมรู้สึกหนึ่งอันว่าการทำบุญเนี่ยควรจะเกิดความสุขในใจทั้งตัวเรา<ม>และผู้ผ<ม>อื่นนะไม่ใช่ว่าแหมผมไปล้วงกระเป๋าคนนี้มาเอาไปทำบุญไอ้คนเนี้ยจะเอาสตางเนี่ยไปรักษาลูกลูกจะตายที่โรงพยาบาล น, นะ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 ความอิ่มเติบใจทุกฝ่ายเพราะฉะนั้นการที่อ่าพระที่ท่านบวชที่ผมว่าเนี่ยนะฮะจริงจะไปเทศนาเผยแพร่หลักธรรมอะไรต่ออะไรแต่ผมถ้าหากให้ผมดูแล้วง่ายๆนะผมว่าพระองค์เนี่ยยังเด็กอาอันที่หนึ่งนะยังเด็กมีหลวงพ่อกับอาจารย์นี่กับมีใครก็บมียกซึ่งทําหน้าที่เผยแพร่ธรรมะอยู่แล้วแต่จะมาทําตัวเนี่ยจะมาทําตัวเหมือนพระพุทธเจ้า นะเหมือนกับว่าตัดลาหุนตัดไปพระมาเอสีไปออกไปบวชนั่มันพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้นําศาสนาเป็นศาสดาของเราคนซึ่งทำทีแรกเนี่ยคนอื่นยังมองไม่เห็นนะยังมีกิเลสมากยังมองไม่เห็นทางที่จะเกิดความสุขกับคนส่วนใหญ่ก็ได้เหนียวร่างไว้ไม่ให้พระพุทธเจ้าออกบวชแต่ในปัจจุบันเนี่ยหลวงพ่อก็มีอาจารย์โม้นอาจารย์นี้มีเยอะแยะซึ่งเผยแพร่ธรรมะเมืองเราจึงอยู่ได้ทุกวัน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 เมื่อจะเกิดความอิ่มเติบในศรัทธากับทุกคนแล้วจึงจะเป็นเวลาซึ่งควรจะบวชที่ผมตำหนิเลือกเกินคือการเลือกเวลาไม่ถูกนี่ยที่ผมถือว่าเป็นบาเนี่ยหเหตุผลที่ผมต้องกราบเท้าถือหลวงพ่อเนี่ยผมว่าเวลามันผิดทีนี้หาคนยังไงที่จะรู้เวลานนเนี่ยคนคนเนี้ครับถ้ายึดมั่นอีกเจ็ดปีเนี่ยก็บวช อยังนั่งก็เป็นคนดี<ร>แต่ถ้าหากว่าเจ็ดปีแล้วเลิกไปมีเมียไปกินเหล้าผขาบอกว่อาอะไรยังไม่ควรยาววะจะหาที่ไหนมีแล้วอยากใจเป็นั้นทุกคนตะคนวาถ้าหาเขาเห็นว่าเจ็ดปีจังบวชไอความตายมีนจะรอไหมไม่รอเขาเห็นอย่างนี้เห็นไหมก่อนเขาจะไปนี่ไอความตายเจ็ดปีตายไปมีสัญญากันไหมมนุษย์เกิดมาจะตายนี่เจ็ดปีจะบวชจะอะไรต่ออะไรกันมีสัญญาไหมเมื่อหากว่คนหนึ่งเขาเห็นอย่างนี้ทำไง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 อาการดีโกเรื่องการตายมีการมีเวลาไหมถ้าหากว่าคนนั่นก็เห็นอย่างนั้นจะให้เขาทำยังไงคือที่ผมนี่คือผมว่าถือว่าเห็นแก่ตัวคนเขาเนี่ยเห็นแก่ตัวคืออะไรไะเห็นแก่ตัวนะครับเพราะว่าอะไรไหมจะเอาความสุขคือความผุดของในพุทธศาสนาับตัวคนเดียวนะถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นเราทำนี่ใช่ดีกว่าอย่างคุณหมอนี่ก็เรียนเป็นหัก็เห็นแก่ตัวท่นน่น โอษครับโทษนั่นเนี่ยทำไมเมื่อคนยังมีตัวอยู่เห็นแต่ตัวมันตัวมีอยู่แต่แบบคนทำชินิดนั่นเห็นแก่ตัวมันมีอย่างพระพุทธเจ้าบางร่างเนี่ไม่เห็นแก่ตัวท่านทําลายตัวของท่านคําที่ว่าตัวตัวตัวนี่คือสมมุติขึ้นมาเฉยๆคนที่ทํำในขนาดนั่นจนจะไม่มีตัวแนวนอะพวกเรามีตัวอยู่ก็นึกว่าเขาจะมีตัวเหมือนเราเราคือนึกว่าเขาเห็นแก่ตัว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 เพราะมันไม่มีตัวเลยเอเราที่เห็นแก่ตัวก็เพราะเรามีตัวอยู่อย่างเนี้ยจะพูดถึงเรื่องไม่มีตัวก็ไม่รู้จักเรื่องของวิสัยมนุษย์ในโลกนี้กับเรื่องที่มันพุ่งไปมันต่างกันเช่นอาการที่อาจารมาจะพูดสักคำสองคาให้คุณหมอฝังว่าคนเราทุกคนเนี่ยถ้ากล่าวคำหนึ่งว่าเดินไปก็รู้ถอยกลับก็รู้หยุดอยู่ก็รู้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 ตรงนี้เด็กตรงมนุษย์ที่ไม่รู้เรื่องมันจะมีปัญหาสับสนอยู่มากมายกายกองเลยอันเนี้ยแต่คําพูดชนิดเนี้นะเ ป, นเป็นคําพูดของโภคุตระเป็นคําพูดของพระนิจเจ้าถ้ามาโตขึ้นมาแล้วขนาดนี้เราทำไมเจ้ก่อนเราเป็นเด็กไหมเป็นเด็กเด็กเล็กทีนี้เมื่อเราโตขึ้นมาขนาดนี้เราเราคำ น, นึงซึ่งเราเป็นเด็ก ไ, ไ, ดไหมเสียดายไหมที่เราเป็นเด็กทําไมถึงกลายมาเป็นอย่างนี้ได้ พระเพามันเป็นอย่างนี้มันมีอาหารต่อมาอย่างนี้เรื่องของมันนี่เรื่องของโลกที่นี้มันพูดมันไม่เข้าจุดกันนานิแต่มันมีทุกคนน่ะที่มันพูดตั้งไหนที่ทําเนี่ยมีเหตุผลยิ่งแต่เมื่อทําเหตุผลเรื่อยๆไปนะเหตุผลคนมันต่างกันคนโง่มันก็มีเหตุเหตุผลเหมือนกันคนฉลาดก็มีเหตุผลเหมือนกันไอ้คนฉลาดก็มีเหตุมีผลคนโง่มันก็มีเหตุมีผลทั้งนั้นอ่ะได้ความมาเหตุผลนี่จบไปได้ เมื่อพระพุทธเจ้าจันตัดขึ้นมาแาพ้ะพุทธเจ้าทำนี่นอกเหตุเหนือผลนอกเกิดเหนือตายนอกสุขเหนือทุกข์นี่จะมียังไงมันอยู่คนละเสีอย่างนี้นะมันอยู่คนละเสีอย่างนี้อนะย่างมาคุณหมอนี่แ่ะแต่ความเป็นเด็กเคยเล้นดุโปร่งไหมเป็นพวงดุโปร่งประสบายล่าเริงในดุโปร่งเนีน่ยที่นี้เมื่อโตมาขนาดนี้แล้วนะ ไม่ต่างกระดิ่งใช่ไมไม่คิดอยากจะเล่นของอย่างนั้นทําไมถึงไม่ไมอยากเล่นเพราะว่ามันไม่เป็นไปอยู่แ น, น่มีมันโตมาแล้วเห็นไหมเพราว่าไม่มีประโยชน์เมื่อเรายังเป็นเด็กอยู่ในขนาะนั้นนะสมวุฒินในคณะนั้นเราเห็นดุกระดิ่งเป็นราคาเหลือเกินเล่นสนุกสนานเอฮาเอฮาไปอยู A ่ A A ไม่รู้เรื่องแต่ว่าเมื่อเวลาด้วยผมมันแตกตบร้องไห้เลยทําทไมเป็นงั้นอไ อ, ไอการเล่นในสิ่งทั้งหลายเราหนี้อนะไรเรียกว่าจิตของเราไปจดจอ่อ ที่นี่ไวเข้ามามันครอบขป้นมากายกันมาเลยขึ้นมาถึงขนาดนี้นะ่ะคุณหมอที่จะเล่นดกลวงอย่างเด็กไหมนี่มันจะเป็นอย่างนี้เดี๋วจะแก้ ป, ปัญหามันยังไงเมื่อเขาเขาคิดขึ้นอันที่เขาคิดนั่นอ่ะคุณหมอก็ต้องตอบว่าผมไม่อยากเล่นกับทําไมไม่เกิดประโยชน์เี่เด็กทําไมมันจะขัดเด็กสินะ่ะแล้วถ้าเป็นประโยชน์เด็กมันก็เสียงคุณหมอดีมันเป็นประโยชน์ของมันนี่จะทำไง่ะอืมใครจะชนะใครจะถูกใครจะบิดเนะี่ย เด็กมันก็ถูกของมันอย่างนั้นผู้ใหญ่ก็ถูกของอย่างนี้มันอยู่คนได้ครอบอย่างเนี้ยมันจะต้องเป็นอย่างเนี้ยดีถามปัญหาวันนี้ดีมากอันนั้นอยากให้ถามได้หลายปัญหานี้มันให้มันกระจ่างซะมันคนในเรื่องกันนี่มันคนในเรื่องผมผมก็พอพอพอพอจะเห็นพออเออนั่นแหละนะฮะทีนี้ผมอัดผมถืออีกนึงอ่ะอันนี้ที่ผมยึดถือเองตอนนี้มันต้องยอนหลังหน่อเนี่ยค เมียผมเนี่ยนะอโยมเป้าเนี่ยนะ เ, เมื่อสักสิบ ป, ปีแล้วเนี่ยนะโอ้โหวิ่งรถน้ำมันจริงนะะผมก็ถามว่าผีเข่าเหรอเฮ้ยว่าไปทําชั่วทําอะไรอ้เรวมาผีสามมันเข้าที่ต้องวิ่งรดน้ํำมันจริงๆวิ่งรถจริงแต่ชวนผมไปผมบอกกับผมเนี่ยออผมไม่ได้ทําำบาปในฐานะการงานของผมอาชีพของผมเนี่ยผมต้องช่วยคน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 สอนให้เราเนี่ยมีความเมตตานะเป็นผู้ประพฤติดีอย่างที่ทั่วโลกเขาเชื่อนับถือนะและพยายามเป็นผู้บริสุทธิ์ถ้าหากขึ้นขั้นเนึ่งเรามีความเห็นส่วนตัวผมนะหมดภาระแล้วทางโลกหมดความรับผิดชอบแล้วนะถ้าเราอยากจะไปหาความสงบที่แท้จริงก็บวชออกบวชเสียนะเราจะอยู่ในที่สงบอันนะั้น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 ทำภาพท้างไปไม่ได้สมน้ำหน้ามั้เนียแต่มีความเวทนาพยายามแก้ไขเป็นการกระทาที่ที่น่าจะบริสุทธิ์พอทีนี้ไอ้การแสดงเช่นไปบวดถึงคราวเนี่ยอายุครบเนี่ปั๊บบวดบวกส่งส่งไปหน้าคือบวดตามธรรมเนียมซึ่งเขามีเอาไว้แต่ว่าใจเนี่ยมันอาจจะยังไม่สงบพอนะหรือว่าไม่บริสุทธิ์พอหรือว่า มีกังวลหรือเป็นภาระที่ผมถ้าแต่ผมจำไม่เผิดเนี่ยเราจะบวชเนี่ยจะต้องได้รับอนุญาตนี่ไอ้อนุญาตเนี่ยควรจะได้ความเต็มใจไม่ใช่ไปอ้อนวอนบังคับพ่อแม่ไม่เอาละจะบวชละถ้าถืออยู่ไปก็จะเป็นอย่างนั้นน่าจะเการบังคับซึ่งผมว่าทําให้เกิดความนี่ยผมถึงว่าถ้าจะทําจะบวชให้ใดกุศลไรติมหรือว่านะ่ะอยู่ที่ใจการทำบุญทั้งหลายเนี่ยอย่างผมไี่โอกาสผมขี้เกียจตากบาปเลยจำบาปไปสิ มีผมตัดบาตรทุกเชา้าผมมาขี้เกียจเพื่อขี้เกียจถอดรองเท้า แ, แต่ว่าใจเนี่ยไม่ได้คิดอาุณศพนะไม่ได้คิดบาตรนี่ยผมถึงถืออยู่หนึ่งอันให้ทําบุญให้ตายเนี่ยนะใจผมนึกเนี่ยตักบาตรให้ตายไปแม้ถ้าหักใจมันยังมีแต่ไอ้ความโลภความหลงความตู่จิจุกจิกหรือทําให้คนอื่นเป็นทุกข์เนี่ยผมว่าเลิกทําบุญทัดีกว่ามาหัดทําให้ใจสบายทําให้คนอื่นเกิดความสุข จะผิดเนาะอันนี้โยมายนะมีสองกระทงนะหนึ่งโยกแม่บ่านหะเจ้าพุทธโมไม่อยู่นั่นเลือกแล้วไม่ไม่รู้ว่าเป็นไรนะมันมันเออมีความสุขทางกายเออออออนั่นหละโยมบานจะมาอัมาจมาจะพูดในความอัจะแก้ในความนะถ้าไม่ึุ่มทำอย่างนั้นอย่างคุณหมอนะเอออย่างคุณหมอนี่ ไก่ในบ้านน่ะมันนั่ง ม, มุนรอบไล่ไปประมาณไล่ไลเอากางเกงไงมันมันก็ไม่เอาเอาเสือ้อไงมันไก่มันก็ไม่เอาจเจ้าอะไรมันดีแล้วเก็เผื่อแล้วก็เพื่อไงมันนี่มันเป็นประโยชน์ของไก่เห็นไหม <laughs> เท่านั้นแหละก็มีประโยชน์แล้วมีเขาต้องการนั้นเสื้อดีเฉพาะมนุษย์กางเกงเฉพาะมนุษย์ เขายังไม่ถึงมนุษย์เช่นนี้เขาต้องการกระเปือกมาหาเราเอาเสื้อไงไก่มม่เอาเอากระเปือกะไรกินก็ดีกว่านี่ใจไหมต่อไปเนี่ยเริ่มต้นมันไปก็จะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นมาเป็นมนุษย์ถ้าเป็นมนุษย์เนี่เขาเอากระเปือกรับถึงก็จะไปกินนี่เริ่มแรกมันเป็นอย่างนี้ยทีเนี้ยอ่าทีคุณหมอว่าอันนี้ตโทรหนึ่งกระชงทีสองมาออเอ่ออะไรเออว่าผม ไม่อยากจะทําบุญหรือจะทําทบุญเอาจิตของผมเป็นบุญเป็นสนเลยอะไรกนเลยนนะแต่ว่าถ้าหากว่าคุณหมอเป็นคนขยันนะเป็นคนขยันนะจะอดทําการงานได้ไหมจะอดกวาดบ้านได้ไหมอดล้างชามได้ไหมอดทําอะไรดีๆได้ดดไหมถ้าเป็นคนขยันนะั้นไม่พูดถึงบุญเกียรติค่านะเราถามตลอดนะั่ น, นแหละก็ต้องเป็นอย่างนั้นผู้ทีวีสัทธาแล้วนะก็ดีแต่กา คุณหมอเกินประมาณไปก็ถูกเหมือนกันให้รู้จักประมาณให้รู้จักพอให้รู้จักประมา ณ, มาณทำจนเกินเหตุแต่ไม่มีเหตุมีผลําไม่ได้แต่ว่าผู้ที่มีศรัทธาทุกต้องตักหมาดหรือใส่หมาดหรืไหว้พระอะไรเนี่ยคือคนนั้นมีศรัทธาเต็มเปี่ยมอยู่เนี้ยไม่ได้ทำโดนคนโง่ทำโดยคนมีปัญญาจริงเ้เตยแบบคุณหมอนี่เป็นผู้ที่ขยันที่สุดแล้วไม่เปตีย้ยในทางที่ชอบนะเห็นบ้านมันรก จะอดกัวใจไหมเห็นชามเสิร์ฟตบกจะอดล้างเลยไห ม, ไหมเห็นสุนัขมันมาขี่ฉันนั้นแจกอะไรางานนึกเหรอหรือจะทาําไงดีคุณหมอจะ ต, ต้องหยุดไม่ได้ในทนะยจิตไม่ใช่เขาทำความเพี่รเป็นอย่างอางื่นอันนี้คือวันการแข่นั่นต้องคิดอย่างนั้นอันนั้นทําไมต้งทําอย่างงั้นมันแสดงออกจากจิตที่คนขยันมันเพียนจะต้องเป็นอย่างนั้นถ้าหากเขาใสาท่ทิ้งไปเฉยเยเนี่ยไม่รู้เรื่อง ก็ยกให้ถ้าเขาทามีเหตุผลอย่างนั้นอย่างคุณหมอนั่นทําไม่เช็ดขี้ไก่ทําไมเช็ดขี้หมูทําไมเช็ดขี้มาทําทไมนะก็เพราะว่าไอ้คุณหมอนี่เป็นผู้ที่รอบครอบในทางที่ดีเป็นผู้ที่การันตีเงินอยู่เล้ยวยเห็นในดรลยการณมันเลยต้องทำให้มันสะอาดถูกต้องมันแสดงออกมาในที่นั้นไม่ใช่ว่าทําส่งไปเฉยๆเท่านั้นมีเหตุผลอย่างนั้นอันนั้นก็ยกให้เขาที่เขาไปทำหารบน้ําบนนำบนก็ให้แต่ว่ามันถาน้ามันเป็นไก่จะทําไงล่ะอืม อถ้อาจะาำเป็นไก่แล้วคุณหมอจะเอาเสื้อให้มันมันก็เป็นไก่มันไม่เอาใจมั้ยมีกระเพือกกระโพอมันกินซะจนดีกว่ามันกินนั่นก็นนกไปอะให้มันสบายก่อนต้องแยก โ, ยโดยระดับอย่างนี้นะจิงเรียกว่าผู้ดูรอบดูรอบดังนั้นอันนี้ก็ให้คุณหมอไปพิจารณาดีวันนี้ดีมากเองมามามาสองผลยังไม่เคยถามปัญหาเลยอเออนี่ให้มันรอให้หมดอันนี้ อันนี้ให้ออกมด